ตินดีวาวิติปตันติติปับาจิเตนะอภินหังปัจเวคิตตบันติบัรนี้จะแสดงระธรรมเทศนาคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาตถาคตเจ้าเพื่อให้เคยประโยชน์มีความสงบแห่งใจเป็นเบื้องต้น มีความผ่องใสแห่งใจเป็นที่สุดให้พอสมควรแก่วันธรรมมัตสวนณะคือวันแห่งการฟังซึ่งทมอันเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งแต่ก่อนที่จะได้บรรยายรมต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้สารวมกายวาจาและทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับตัว บางท่านอาจจะเคยชินกับการดูลอหายใจบางท่านก็อาจจะเคยชินกับบทบริกรรมต่างๆมีพุทธโธเป็งต้นต่อไปนี้ก็ขอให้แต่ละท่านได้วางใจให้อยู่กับอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นอย่าปล่อยให้ใจฟุ้งไปกับอารมณ์ความคิดต่างๆที่จะจอดเข้ามารบกวนจิตใจอาจจะทำให้เสียซึ่งประโยชน์ ที่จะได้จัดการฝังซึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระศาสดาวันนี้ก็เป็นวันพระแปดข่่มก็เป็นวันพระแรกหลังจากที่ได้เข้าพรรษามานะก่อนวันเข้าพรรษานี่ก็เป็นวันพระสำคัญก็คือวันอาสานหาวันอาสานขานี่ก็เป็นวันพระที่ถือว่าเป็นวันสำคัญ มากมากวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาเวลาเรียนหนังสือตอน เ, อเด็กๆเนี่ยก็ได้ได้ท่องนะท่องจำกันว่าสาคัญยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอความสาคัญตอนที่เราจำได้ท่องได้เนี่ยมันมันยังไม่ซึ้งลงไปในใจก็เลยอยากจะมาทบทวนให้ทั้งหลายได้เข้าใจว่ามันสาคัญมากมาก วันหนึ่งจริงๆหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันวิสาขเมรมชาวันเพ็ญเดือนหใช่ไหมแล้วก็ได้ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่เจสัปดาห์นะพอเจ็สัปดาห์เสวยวิมุตติสุขแล้วก็ได้ไข้ครวญพิจารณาทำด้วยว่าสิ่งที่พระองค์ได้ รู้แจ้เห็นจริงในธรรมอันนีนะ้รวบรวมเรียบเรียงจัดระเบียบแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็ ร, รวบรวมเรียบเรียงจัดให้มันเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เพื่อที่จะเอามาแสดงธรรมให้เวเนยสัตว์เนี่ยได้มีดวงตาเห็นธรรมพอคิดถึงว่าเแล้วเราจะไปแสดงธรรมให้ใครฟัง ก็นึกถึงอาจารย์นะอาจารย์เก่าคืออาราระดาบทกับอุตสกากดาบบทพอรู้ว่าอาจารย์เก่าทั้งสองเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ที่คอยอุปถาอุปถัมตอนความเป็นเกียนนะก็เลยเดินจากต้นโพก็คือ ถ้าตอนนี้ก็เรียกว่าพุทธคยาใช่ไหมเดินไปถึงเมืองพารณาสีก็เดินขึ้นเหนือไปไปถึงพารณาสีปุ๊บเจอปัญจวัคคีก็วันเพ็นเดือนอาสาหักพอดีแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ปัญจวัคคีได้ฟังซึ่งเป็นธรรมบทแรกที่เขาเรียกว่าหมุน เหมืนธรรมะธรรมจักรให้ได้ถูกมุนให้ให้ชาวโลกให้หมู่มนุษย์เทวดาได้ได้ฟังแล้วพอได้แสดงธรรมซึ่งเราเจอคุ้นเคยกันที่เรียกว่าธรรมจักรกับปะวัฒนาสุ์ก็ได้ตรัสถึงทางสองสาย ที่เราไม่ควรจะไปคล้องแวะด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์ผู้ที่ต้องการความสุขในชีวิตเนี่ยไม่ควรคล้องแวะก็คือสุดต่งสองทางทางที่เรียกว่าการมาสุ ข, ขันธิานุโ ย, โยคคือการประกอบตนให้มัวเมาความสุขในการทั้งหลายแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คืออัตตกิลมัฏทานุโยคคือการประกอบตนให้มันลำบากลาบากเปล่า แล้วก็ได้แสดงความจริง4ีประการความจริงเกี่ยวกับทุกความจริงเกี่ยวกับเหตุเกิดทุกความจริงเกี่ยวกับความดับของทุกแล้วก็ความจริงที่เกี่ยวกับทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกพอได้แสดงความจริง4อย่างนี้แล้วเนี่ยราญญาคนทัญะก็ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นไม่ใช่ที่สมองหรือว่าเป็นตรรกะที่มันถูกต้องนะไม่ใช่แต่เป็นความรู้สึกที่มันเข้าใจเข้าใจลงไปในใจว่ายังกินจิสมุนไดยัตธ ร, รมมังสัมวันตังนิโรธธรมมังก็แปลได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดา ความจริงเหล่านี้เนี่ยมันปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ในใจของพระอัญญาบทธัญญาแล้วมันก็ซึ้งลงไปในใจจนกระทั่งรู้สึกว่าเราอยากจะเดินบนทางสายนี้เดินเนินรอยตามพระศาสดาองค์นี้ก็จึงได้ทูลขอาการอุปสมบทกับพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเ้าก็ประทานการอุปสมบทให้บวชให้นั่นแหละซึ่งตอนนั้นก็ง่ายๆเพียงแค่การกล่าวรับเข้าเป็นหมู่เป็นพวกก็ถือว่าบวชเรียบร้อยแล้วก็เป็นการตัดว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถอะแค่นี้เองอันนี้คือสำเร็จการบวชแล้วแต่เนื่องด้วยว่ายัางทำให้กิเลสหมไปจากใจไม่ได้ ก็จึงมีแถมท้ายตอนหลังด้วยว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเธอทําอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติปรหมันจันเพื่อทําที่สุดทุกตัวชอบหมายความว่าท่านก็รับข้าหมูข้าพวกด้วยแล้วก็ประกาศถึงเป้าหมายที่จะต้องดาเนินไปท่านก็คือทําที่สุดแห่งทุกให้ได้หมายความว่า เวลาที่เราทำที่สุดเห็นทุกได้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่ง น, นอนไม่มีความทุกข์อีกพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าวันนั้นก็คือวันเพนเดือนอาสาถาก็คือย้อนกลับไปเมื่อสองพันก็ประมาณ6ร้อยนะยปีที่แล้ว พระยากรัญญาก็ได้เป็นบุคคลสําคัญบุคคลหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันในพระพุทธเป็นเครื่องยืนยันในพระธรรมในศาสนานี้ทาไมมันถึงสําคัญเพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกคือการที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะรู้ธรรมเขียนธรรมแล้วก็เอาธรรมอันนั้นมา ชำระกิเลสที่มีอยู่ในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้ทำชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็พบใหม่จะไม่กลับกําเริ่มขึ้นมาอีกได้ความทุกข์ที่มีก็หมดไปได้แต่มันจะไม่เป็นเครื่องยืนยันความประเสริฐโดยสมบูรณ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีอันนี้ดีจริง พระุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่เลิศในโลกพระธรรมก็เป็นธรรมที่นําออกจากทุกได้จริงอันนี้เป็นเครื่องอยืนยังแต่เครื่องยืนย่างสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีผู้ที่เอาพระธรรมอันที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เข้าใจเห็นผลได้ประจักษ์แล้วก็เป็นผลอันเดียวกับที่พระพุทธองค์สมได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระสงค์เนี่ยก็จิงเป็นเครื่องยืนยันความดีงามของพระพุทธของพระธรรมด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่ทำให้เรามีความมั่นใจว่าพระธรรมนะเป็นสิ่งที่นำทุกข์ออกไปจากชีวิตเราได้จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตรัสพระธรรมซึ่งทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้จริงเพียงแต่ว่า และพระสงฆ์นี่ก็คือคนที่นําไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้ผลเดียวผลเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าได้แต่รับไม่ใช่แต่พระสงฆ์องค์นั้นองค์เดียวองค์อื่นๆก็มีตามมาอีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระธรรมก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่เพียงแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่อยู่แล้วฉะนั้นเอง แต่สิ่งที่พระองค์ทรงทิ้งไว้เป็นมรดกก็คือพระธรรมเองพระธรรมและก็พระวินัยคือจะบอกว่าพระวินัยนี่ภาพมันจะเหมือนกับว่าเป็นข้อประพฤติปฏิบัติของพระสงค์อย่างเดียวซึ่งจริงๆไม่ใช่นะถ้าจะพูดถึงข้อประพฤติปฏิบัติในศาสนาเนี่ยท่านก็แบ่งไว้ตามความเหมาะสมของแต่ละเพศ เค่ที่คารวาสก็มีสินห้าเป็นพื้นมีสินห้าเป็นพื้นซึ่งถ้าจะให้คารวาสเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติกับนักบวชอย่างผู้หญิงจะปฏิบัติศีลเท่ากับภิกษุณีเงี้ยมันก็อยู่ลำบากอยู่ยากแต่จะให้นักบวชเนีย่ยเช่นพระภิกษุนเนี่ยถือศีลแบบศีลห้านี่นะมันก็เขาเรียกว่า มันเป็นเครื่องเลืนช้าในเครื่องเลืนช้าแล้วก็ทําให้ภาพลักมันก็ดูย่อยหย่อนประพติย่อยหย่อนมันก็ไม่เป็นที่เลื่อมใสในมูลสาสนิเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อประพติปฏิบัติก็จึงแตกต่างกันตามเพศที่เราจุดคลองกันอยู่แต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็นกคือการที่เราเอาพระธรรม ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อธรรมอย่างเช่นสติหรือขันติคือความอดทนอดกลั้นหรือเมตตาหรือการให้ทานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆเนี่ยก็จะต้องนาธรรมะหัวข้อธรรมะเนี่ยอันนี้ไปใช้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้มาพัฒนาจิตใจของเราเองมาพัฒนาให้ใจของเราเนี่ยมีภูมคุ้มกัน ความทุกข์เป็นใจที่แข็งแรงที่เราจะไม่โดนทุกข์เนี่ยมันย่ายีบนใจได้ง่ายๆแับก่าแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขในภายในที่แจ่มชัดมากขึ้นละเอียดประณีต ด, ดีขึ้นจากจากสิ่งที่เราได้นําธรรมะไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา แล้วทีนี้การที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วเนะี่ยผลที่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคารวะก็ดีผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเด็กคนหนุ่มคนสาวคนมีอายุได้ผลแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นผลของการที่เรานำธรรมะไปใช้แล้วเนี่ยมันเป็นผลแบบเดียวกันใครทำใครได้นะเพราะฉะนั้นใครไม่ทำก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นนักบวชแล้ว จะปฏิบัติธรรมมีผลได้ดีกว่าฆราวาสก็ถ้าไม่ทำาก็ไม่ใช่แหละเพราะฉะนั้นคนที่ทำเท่านั้นแหละจึงจะได้ผลก็อยากจะพูดให้เป็นกำลังใจว่าถ้าเรานำไปใช้เนี่ยผลที่ได้ไม่ต่างจากพระไม่ต่างจากแม่ชีไม่ต่างจากนักบวชไมไหนขอเพณฑแต่ ว, ว่าเรานำธรรมะไปใช้หมั่นที่เอาไปใช้พัฒนาจิตใจของเรา มันได้รับผลแบบเดียวกันแน่นอนแล้วถ้าเราทําได้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถที่ไปถึงสุดท้ายปลายทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าเราจะสามารถทําที่สุดของความทุกข์ไดนะ้ก็เปรียบเหมือนกับมันแผ่นดินนะนะถ้าแผ่นดินเราเลยเออกไปแผ่นดินนะ่ะมันก็เป็นทะเลมหาสมุทรใช่ไหมมันก็ไม่เจอแผ่นดินแล้ว ท่านก็เปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้เหมือนกันว่าเวลาเราเลยที่สุดของความทุกข์ไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นดินแดนที่มันไม่มีความทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนปราศจากความทุกข์ทีนี้การที่เรานําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นสัด ส, ส่วนที่เราจะต้องคอยหมัน่นที่เราจะเอาไปใช้ ซึ่งบางคนนี่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอา้าฉันยังต้องทํามาหากินฉันก็ต้องอยู่แบบนี้มีเงินไขแบบนี้แล้วฉันจะมีเวลาที่จะมาเข้าวัดฟังธรรมมันก็ไม่ค่อยมียิ่งเวลาที่จะหยุดเอาไปปฏิบัติธรรมทาความสงบใจก็ยิ่งไม่มีถึงมีก็มีอาจจะสักสามวันหาวันอะไรเงี้ยเดือนนึงก็ไม่มาปีนึงก็มีเวลาไม่มา แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็มีความเห็นต่อธรรมะที่ยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ถ้ายกตัวอย่างเหมือนเราเรากินข้าวใช่ป่ะแล้วเราก็ดูโทรทัศน์ไปได้เราดูโทรทัศน์ดูเรื่องนะเราก็สามารถที่จะเอาธรรมะแทรกเข้าไปในชีวิตเราได้แต่เพราะว่าเวลาที่เราอาจจะอยู่คนเดียวกินข้าวอยู่ เราก็สามารถที่จะฝึกสติเราไปได้เพราะฉะนั้นบนพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็ย้ําลงไปที่ขอให้เรามีสติให้มากๆพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่าอา้าวแล้วปกติเราไม่มีสติใช่ไหมอ้ไรทาต้องบอกว่าทุกคนก็มีสติหมดนั่นแหละมีสติแต่ทําไมเราถึงชอบบอกกันว่าไม่มีสติเพราะว่า สติที่พระองค์หมายถึงเนี่ยก็คือหมายถึงสัมมาสติสัดส่วนของสัมมาสติของเราเนี่ยมันยังไม่มาในชีวิตประจําวันของเราหมายความว่าสติที่เป็นสัมมาสติเนี่ยมันก็คือเป็นสติที่เป็นไปเพื่อวิราคะคือความใจกำลังเป็นไปเพื่อนิพิทายะคือความหาย เป็นไปเพื่อสัมโพธา ย, ยะคือความรู้พร้อมเป็นไปเพื่ออภิน ญ, ญายะคือความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อนิโรธะคือความดับเป็นไปเพื่อนิพพานายะเป็นไปเพื่อนิพพานสติที่มันเป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสัมมาสติแต่สติที่เรามีในปัจจุบันโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นไปเพื่อส่วนทางกับที่กล่าวมา เป็นไปเพื่อความไม่หนาเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีเป็นไปเพื่อความไม่รู้ยิง่งไม่รู้พร้อมเป็นไปเพื่อความไม่ดับแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะงั้นการที่เรามีสติแล้วตั้งตั้งธงเอาไว้แบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจเราได้มีศักยภาพที่จะค้นทุกข์ไปได้หรือมีศักยภาพที่จะแก้ทุกข์ได้อย่างดีก็เป็นไปยากได้ยาก แต่การที่เรามีสัมมาสติที่มันเป็นสัด ส, ส่วนเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้บ่อยๆเกิดได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้ อ, อย่างแรกก็คือเราจะได้ความสงบขึ้นมาก่อนพอพูดอย่างนี้ป๊บเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องว่าเราจะฝึกยังไงดีกว่าฝึกสติวิธีฝึกสติเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าโอ้มอบวิธีให้ตั้งหลายอย่างทั้งสอย่าง จำเโดยมากที่เราจะคุ้นเคยกันเนี่ยก็คือดูลมหายใจหรือทำบริกรรมพุทโธอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งมันก็เป็นวิธีแบบง่ายๆอ่ะถ้ายากๆพระพุทธองค์เขาไม่ค่อยอยากสอนนะสอนอะไรที่มันง่ายๆได้คนดีพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ทำได้จริงๆจังๆขอให้ทำหมันจริงจงจังๆมันมันถึงจะเห็นผลแต่ถ้าทา นิดๆหน่อยๆเลิกแป๊บๆเลิกขี้เกียจบ้างอะไรเนี้ยมันก็ตามเหตุที่เราทํานะผลที่ได้ก็ได้ตามเหตุที่เราทําถ้าเราทําเหตุได้อย่างดีได้อย่างประณีตเนี่ยผลที่ได้มันก็เป็นผลที่ดีประณีตเหมือนกันแต่ถ้าเราทําบ้างหยุดบ้างขี้เกียจเยอะอะไรอย่างเงี้ยผลที่ได้มันก็ไม่ดีแล้ว เราจะใช้เป็นข้ออ้างกับตัวเองไม่ได้นะว่าเฮ้เราก็ทำแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องดูว่าเราทำได้ดีไหมด้วยไม่ใช่ว่าทำแล้วหรือสังแต่ว่าทำอย่างเดียวขึ้นชื่อว่าเป็นได้ทำเนี่ยยังไม่ใช่แต่ต้องทำให้มันได้อย่างดีรู้ว่าเหตุที่ดีคืออะไรแล้วก็ทำให้มันได้อย่างดีด้ว ย, ยนั้นจึงเป็นสิ่งจาเป็น ถ้ายกตัวอย่างอย่างการที่เราจะฝึกสติดนการที่เราเอาใจของเราเนี่ยมาผูกไว้ลมหายใจเราก็มีสติที่ลมหายใจเราลมหายใจเข้าเราก็มีสติรู้ลมหายใจออกเราก็มีสติคอยรู้ก็มีหน้าที่แค่นี้ไม่ได้ทําอะไรมากใครๆก็ทําได้นะแค่รู้ลมหายใจแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะดูเสมือนว่ามันจะยากเพราะว่า เวลาเราทําได้เนี่ยสักสี่ห้านาทีเงี้ยเปนน็นต้นานะมันก็ไปคิดเรื่องอื่นหละใจมันก็ไปอยู่กับเรื่องอื่นและแล้วเราก็อาจจะงงอิดละ ว, ว่าเราก็คอยดูลมแล้วมันก็ไม่เห็นจะดีสักอย่างไม่ค่อยจะดีเลยแล้วก็ไม่เห็นมันจะดีอย่างที่เขาว่าอย่างเงี้ยป็นตนน้นนะแต่เราลืมไปว่า พยายามเอาใจเอาไว้ให้ให้ใหอยู่กับลมให้ได้นะมันก็ต้องเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจอย่างอื่นใช่ไหมไม่ใส่ใจความคิดที่มันคอยจะคิดอยู่เรื่อยพยายามดึงใจเราให้ไปอยู่กับความคิดหรือไม่ก็พยายามดึงใจให้เราไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายล่านี้แต่พอใจมันเผลอไปจากลมหายใจไปที่ สิ่งที่ตาเห็นบ้างแหละสิ่งที่หูได้ยินบ้างแหละหรือความรู้สึกของกายเราเองบ้างแหละเราเพแค่ว่าจะไปใส่ใจมันเราก็ย้อนกลับมาที่ลมหายใจคอยเฝ้าดูมีสติอยู่เฉพาะหน้าที่ลมหายใจเราเนี่ยแหละแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเอาใจเราเนี่ยส่งไปที่ลมนะลมมันเป็นแค่เครื่องหมายที่จะ ตั้งสติคือตั้งความรู้สึกตัวของเราเอาไว้เฉยๆแต่การที่เราเห็นลมแล้วเราก็จอ่อความรู้สึกของเราเพ่งลงไปที่ลมนี่อันนี้ก็คือไม่ถูกต้องเพราะเพราะว่ามันจะทำให้ใจของเราเป็นใจที่แข็งเป็นใจที่ขึงเครียดนะขึงเครียดเวลาที่เราทำให้มันดีเนี่ยมันต้องเป็นใจที่เบาสบายปลอดโปร่งเป็นใจที่ ข อ, องใสยเยือกเย็นแล้วก็ไม่แข็งกระด้างนะแต่ถ้าเราขึงเคียดกับมันเนี่ยเป็นใจที่มันแข็งนะแข็งแล้วมันก็เป็นใจที่มันยังกระด้างเป็นใจที่ไม่อ่อนยังไม่ควรแก่การงานเมาะเวลาเราดูลงหายใจหรือนึกคำบริการพุทธโทเนี่ยก็พยายามอย่าไปขึงเคียดกับมันทำเล่นๆแต่พอบอกทาเล่นๆก็จะดูเหมือนเล่นไม่เหมาน แต่จริงๆแล้วให้ทำเล่นๆแต่แบบจริงจังจริงจังหมายความว่าไงเราก็ไม่เลิกไงถึงมันจะเผลอเราก็ไม่เลิกที่จะดึงมันกลับมาไว้ที่ลมหายใจถึงมันจะเผลอไปกี่ครั้งเราก็ไม네่เลิกที่จะดึงมันกลับมาไว้ที่ลมหายใจทำเหมือนเด็กหัดเดินเด็กที่เขาหัดเดินเนี่ยเขาล้มกี่ครั้งก็ไม่รู้ยืนแล้วล้มกี่ครั้งก็ไม่รู้ แต่ก็พยายามที่จะลุกขึ้นยืในให้ได้ยืนแล้วก็พยายามที่จะเดินให้ได้แต่เขาก็ไม่ได้งนกิจอะไรนะเขาก็มีหน้าที่ทาของเขาไปเพราะฉะนั้นการที่เราเอาใจไว้ที่เหตุมันดีกว่าที่เอาใจของเราเนี่ยไปคาดหวังในผลลัพธ์ว่ามันจะเมื่อไหร่มันจะดีสักทีหนึง่งเมื่อไหร่มันจะดีสักทีหนึง่งการที่เราเอาใจไปไว้อยู่กับผลลัพธ์เนี่ย มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากชันทักในเหตุนะความยินดีพอใจในการงานของเราการไปเป็นโลภการไปเป็นตัณหาในการกระทำของเราเพราะว่าเรามีความอยากอยากให้มันได้ดีสักทีหนึ่งเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะดีอย่างนี้สักทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเท่าทันวาระของใจเราด้วยว่าเฮ้ยเราทำเนี่ย บนพื้นฐานของตัณหาหรือเปล่าบนพื้นฐานของความอยากหรือเปล่าถ้าเราดูลมไปแล้วดูใจของเราแล้วเนี่ยใจเราเนี่ยมันขวางไปที่ผลอยู่ตลอดตลอดอันนั้นก็เลิกก่อนลืมตาดูลมหายใจสักพักหนึ่งแล้วก็เอาใหม่ให้ใจนี้มันคลายจากความยึด ความถือในอารมณ์ก่อนความอยากให้มันคลายลออกไปเราก็ทําแบบสบายๆทําเล่นๆไปแบบแบบกลับซึ่งถ้าใจเราจดจ่อต่อเนื่องหรือได้เรื่อยๆ เ, เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอารมณ์ในใจเราเนี่ยมันก็จะโดนปรับสภาพให้มันเป็นอารมณ์อารมณ์เดียวของการหายใจก็คือเป็นอารมณ์สบายๆ ส, ส, สมบูรณ์อย่างนี้แหละไม่ได้ไปวุ่นวี่วุ่นวายกับความคิด หรือสิ่งที่เราดูหรือสิ่งที่ที่เรากำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จะดีเฉพาะตอนที่เราหลับตาทางสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่แต่มันจะดีทุกๆขณะที่ที่เราเป็นที่เราประคองจิตของเราได้ประคองใจของเราให้เราอยู่กับลมหายใจได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมของเราอยู่ตลอด กินข้าวเราก็ดูลมได้อาบน้าเราก็ดูลมได้แต่ตอนทำงานมันก็อาจจะยากแต่ตเราก็ต้องต้องพยายามแทรกมันลงไปนะหาเวลาแทรกมันลงไปเพราะฉะนั้นเราจะเหมือนมีเหมือนเหมือนมีหลอดพลังอยู่สองหลอดอะ่ะหลอดแรกก็คือหลอดปกติชีวิตปกติของเราแต่อีกหลอดหนึ่งก็คือหลอดเกี่ยวกับภายในเกี่ยวกับจิตใจ เพราะฉะนั้นเราเติมเติมอยู่แต่ข้างนอกอย่างเดียวข้างในเรามันก็บกร่องมันก็แห้งอยู่ตลอดใจเราก็ศักยภาพของใจเรามันก็หน่อยที่จะทําให้มีความสุขมากหรือต่อต้านความทุกข์ได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นที่จะเติมไอ้หลอดหลอดภายในของเราให้ได้บ่อยๆให้ค่าพลังมันได้เยอะๆมันจะได้มีศักยภาพที่จะลดทอนความทุกข์ แต่จะลดทอนความทุกข์ได้เนี่ยเบื้องต้นคือเท่าทันมาเสียก่อนกานที่เรามีสติที่มันเท่าทันใจเราเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยที่เราจะเข้าใจว่าใจเราเนี่ยมันไปวุ่นวีุ่่นวายกับอะไรส่วนมากเลยนะมันก็ไปวุ่นวีุ่่นวายกับไอ้เรื่องที่ชอบมากกว่าใช่ไหมเรื่องไหนชอบก็ไปเรื่องนั้นแหละแต่ไอ้เรื่องที่ชอบกับไอ้เรื่องที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรา คอยมนดูใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจว่าบางครั้งไอ้เรื่องที่เราชอบมันไม่ใช่เรื่องมีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราหักใจมาอยู่กับเรื่องที่มันมีประโยชน์ได้ให้มันได้บ่อยๆถ้ามันก็ชิงใจเราก็จะมีนิสัยใหม่เกิดขึ้นที่จะไม่ออกไปวุ่นวี่วุ่นวายแบบเก่าใจเราก็จะมีบ้างที่อยู่ในภายในรู้จักว่าอะไรควรจะออกไปลรับ หรือควรจะกลับเข้ามาภายในในบ้านนี้พอพูดไปถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็พูดถึงการงานที่เราทำในชีวิตประจำวันเราก็ต้องคอยแทรกการประบัดของเราไปด้วยแต่พอพูดถึงหนึ่งวันที่เราใช้เวลาไปสัดส่วนในการที่เราจะใช้เวลาที่เราจะแทรกธรรมะลงไปมันมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันก็ เกิดมาฉันก็นั่งสมาธิก่อนนอนฉันก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแต่วันๆหนเนี่ยทีชั่วโมงเราเช้าชั่วโมงหนึ่งก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมยนะเพราะฉะนั้นสัสดส่ว น, นกิเลสมันก็เอาไปกินอีกตั้ง20ชั่วโมง24่สบสีชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามยึดยึดเวลากลับคืนมาให้มันเป็นเวลาของธรรมะอยู่เรื่อยๆ เป็นเวลาที่ใจของเรานะ่จะไม่ไม่ไหลออกไปเป็นพฤติกรรมของใจที่เป็นมีความกำหนัดยินดีมีความยึดมั่นจิตมั่น่าวนี้เพราะฉะนันการที่เรามีสติคอยเห็นใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะคอยเห็นนะว่าใจตอนนี้เรายินดียังไสิ่งไหนเรายึดอะไรไว้เรามีความผูกพัน ในสิ่งอะไรบางพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยสอนใจเราเลยว่าสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราปลูกพัน์สิ่งที่เรายิน ด, ดีเนี่ยมันก็มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดหรอกใช่ป่ะไอคนที่ว่ารักกันรักกันกกนักหนานี่แต่พอไปถึงจุดหนึ่งก็เวลาบทจะเลิกกันนี่ก็เยืยย่อใยมันก็ไม่มีเลยนะจากรักมากก็เปลี่ยนมากเหมือนกันอย่างที่เป็นต้น เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้หอรอกนะพอสุดท้ายเนี่ยความตายมันก็มันโลกโลบกระดานของเราไปทีนี้การที่เราจะแทรกมันลงไปในชีวิตประจําวันเราได้เนี่ยสิ่งสําคัญคือเราก็ต้องคอยคอยดูคอยหมั่นดูว่าเฮ้ยในชีวิตประจําวันของเรามันเป็นยังไงวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลายังไงบ้างเราอาจจะเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเตื่นมาใช่ไหม น้ำแปลงฟันเวลานี้เอาเวลานี้ไปทํางานเวลานี้ขึ้นรถทํางานไปถึงที่ทำงานเราทําอันนี้ทำอันนี้เสร็จปุ๊บตอนเย็น5้าโมงเลิกงานงกลับบ้านนั่งรถกลับบ้านนั่งรถกลับบ้านเสร็จถึงบ้านรถทุ่มสองทุ่มแล้วก็เป็นยังไงอาจจะพักผ่อนนิดหน่อยนอนพอตื่นมาอีวันหนึ่งวงจรงชีวิตมันก็เป็นเหมือนเดิมตื่นมาอาน้ำแปลงฟันทํางาน ทำงานกินกินข้าวเที่ยวกินข้าวเที่ยวตอนงานเลิกเย็นอตอนเย็นเลิกงานเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็พักผ่อนพอวันถัดไปก็เอาอีกตื่นมาอาบน้ําแปรงฟันมันก็เป็น blocking กกของชีวิตของเราก็าเป็นอย่างนี้แหละเพราะบางท่านก็คงจะเคยรู้สึกเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไม blocking ชีวิตจนมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยแล้วเราทําไปเพื่ออะไร ตื่นมาแลว้ว่าต้องตื่นมาแป่งฝันอีกแล้วหามน้าอีกแล้วแล้วเราก็ไปทำงานอีกแล้วด้วยเวลา เ, เดิมๆอาจจะมีโบนัสอยู่บ้างที่ว่าบางวันเราได้พักผ่อนได้หยุดแบบลาพักร้อนอะไรอย่างนั้นะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นวันพิเศษที่มันไม่ได้ดำเนินชีวิตไปในแบบ working ปกติแต่พอเราคอยสังเกตเราอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะเห็นว่าชีวิตเรา working มันก็เป็นแบบ เ, เดิมๆ ตื่มาทำกิจกรรมแบบเดิมแล้วก็จบด้วยเวลาเดิมมันก็เป็นวนๆไปวนไปวนไปแล้วบางทีมันก็จะรู้สึกว่าแล้วเร า, เร า, เร า, เราทำไปเพื่ออะไรก็ไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรว่าวันหนึ่งจะก็ตืมมาแล้วก็จบวันด้วยแบบนี้ตลอดทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันไม่เห็นได้อะไรกลับคืนมาเลยอาจจะแบบ บางคนอาจจะบอกว่าฉันก็ได้เงินฉันก็ได้หน้าที่การงานที่มันพัฒนาขึ้นนะแต่อย่าลืมว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามองกันสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตายไปปุ๊บเนีพวกนี้มันมั น, ม, นมันไม่ได้มีเกณฑ์สาร์อะไรเลยนะที่เราทาํามาแล้วเราทําอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรัสไว้ว่าไอ้สาระสําสคัญเนี่ยมันในโลกสมมุติเนี่ยมันไม่มีนะ มันไม่มีเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็ดับไปหมดมันไม่มีสาระเก่นสารนี่มันจริงแท้จริงแท้แน่นอนแต่มันจะอาจจะมีสาระแก่นสารในระดับที่เรายังต้องต้องใช้สมมุติอันนี้อยู่อย่างเราอยู่เราได้อัตภาพนี้เนี่ยแน่นอนปัจจัยสีก็สําคัญเพราะฉะนั้นการที่เราดาเนินชีวิตหาปัจจัยสี่ให้บริโภคเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันก็มีแก่นสารระดับนี้แต่ถ้าเรา มองให้มันยาวพิจารณาให้มันยาวเนี่ยเราเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอ ย, ย่างหนไอสารแก่งสารที่เราให้กับมันนักให้กับมันนาเนี่ยมันทำไม่ได้มีสาระแก่งสารอย่างที่ใจเราคิดจริงๆแล้วสาระแก่งสารจริงๆคืออะไระถ้าเราอยู่เป็นชาวพุทธใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็สอนว่า นอกจากอัตภาพนี้แล้วเนี่ยอัตภาพก่อนแล้ก็มีถ้าเรายังมีเชื้อของความเกิดอยู่อัตภาพถัดไปเราก็มีก็อาจจะไปดีบ้างไม่ดีบ้างแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก่อนที่จะมาสวยพระช่ายเป็นประช า, ะชาสุดท้ายอันนี้เนี่ยเขาเว้นไหว้แต่เกิดบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเป็นไม่มียกเว้นอย่างเดียวคือคนชั้นสุาว้ายที่ไม่เคยไป ดองนั้นไปเกิดมาหมดแล้วไปลิ้มลองรสชาติมาหมดแล้วเราก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แหละบางชาติเราก็ต้องขึ้นไปสูงบ้างบางชาติก็อาจจะตกต่าบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นอะไรสา ร, สาระอะไรที่มันทาให้เราไปอยู่ในสุขติแล้วไปทุกติเนี่ยอันนี้มันสำคัญเพราะแน่นอนการที่เราเกิดเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เนี่ย มันมีสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันกคือความรักสุขเปลี่ยนทุกข์เราต้องการความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องการความทุกข์เพราะฉนั้นสาระของมันก็คือถ้าเราไปสุขติเนี่ยมันกําไรกว่าทุกติแน่นอนการที่เราไปทุกติมันก็มีทุกข์มากกว่าความสุขการที่เราไปเกิดเป็นอย่ยางสัตว์ใโลกอย่างเงี้ยเขาก็ดโดนทรมาน์ทรมกรรมอยู่ไม่ว่างเว้นใช่ไหม ว่าเป็นเกิดเป็นสัตว์ไรฉานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สบายเหมือนกับกับมนุษย์หล่ะใช่ไหมถึงจะบอกว่ามีคนเลี้ยงดีก็ตามอะแต่มันก็เหมือนเราอ่ะเอาเราไปให้คนอื่นเลี้ยงเงี้ยแล้วก็บอกทำนั่นทำนี่เวลานี้กินเวลานี้นอนเราก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นการที่มันมีสารภาพมนะันสาคัญมันมีความสุขมากกว่าแต่การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสุขติดีแล้วเนี่ยเราพยายาม ทำต้นทุนอะไเนี่ยที่มันมีทำต้นทุนที่มีให้มันดีขึ้นขึ้นไปอีกโดยการที่เราเนี่ยมาสั่งสมบุญกุศลสั่งสมกุศลให้อยู่ในใจให้ใจเนี่ยมันคุ้นชินกับกุศลให้นิสัยใจมันคุ้นชินกับการเป็นกุศลบ่อยๆพอมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาที่เราจะละอัตพานี้ไปเนี่ย มันก็ด้วยความเคยชินด้วยความคุ้นชินเนี่ยเราก็จะไปสุคติมีโอกาสไปสุคติได้ดีกว่าแน่นอนพอย้อนกลับไปตรงนี้ว่าการที่เราชีวิตของเราเนี่ยมันต้องสั่งสมกุศลใช่ไหมหรือพัฒนาวิธีที่เราจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็ลดทอนความทุกข์เนี่ยแต่ถ้าล l o c k i n g ในชีวิตของเรามันยังเหมือนเดิมนะ มันก็ลําบากใช่ป่ะการที่เรามันมีความสุขเพราะว่ามันมีเหตุของความสุขเหมือนอย่างเรากินข้าวเนี้ยพอเรากินข้าวมันอิ่มแน่นอนแต่ถ้าเราไม่กินข้าวมันก็ไม่อิ่มใช่ป่ะเพราะเหตุของการอิ่มก็คือการกินข้าวนะเพราะนั้นถ้าช่วงชีวิตของเราจังหวะชีวิตของเราเนี่ยมันมีความทุกข์อยู่แล้วเรายังใช้จังหวะชีวิตแบบเดิมมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราใหม่รู้ว่าอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ล้วก็เอาออกไปบ้างเวลาที่เราใช้ในแบบที่มันมีประโยชน์น้อยเราก็เอาออกไปบ้างแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของการที่เราจะมาดูแลจิตใจใใมันมากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มสัดส่วนการที่เราจะมีสติที่เราจะเห็นใจใมัน่อยขึ้นดีขึ้น พอเรามีสติที่มันเห็นใจดีบ่อยแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจนะว่าความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้เยมันไม่มีอะไรเที่ยงมันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีสาระแก่นสารจริงแทนแม้แต่ตัวเราเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยมันก็ที่บอกว่าเป็นคนเป็นคนมันก็ไม่ใช่คนเต็มที่หรอกแต่พอตายไปเอาเข้าเตาเผานะก็ ความเป็นคนก็ไม่เหลือแล้วล่ะเหลือแต่ขี้ฝุ่นนะเพราะฉะนั้นความเป็นคนมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งเที่ยงแท้แต่ใจเราเนี่ยมันยังไงมันก็บอกเป็นเป็นเรื่องเที่ยงแทแนะ้ก็เรายังเป็นอยู่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันยังเห็นอย่างนั้นอยู่นะเราก็ค่อยๆสอนมันนะสอนมันมันจะได้คลายความยึดถือคลายความเห็นผิดๆลงไปแล้วใจเราก็สบายขึ้น จากการที่เรามีความเห็นที่ผิดลดลงใจเราก็เบาขึ้นสบายขึ้นเพราะเราปล่อยวางได้มากขึ้นเพราะเราเห็นถึงความไม่มีเกดสารไม่มีสาระของมันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตในแบบเก่าๆเรายิ่งเก่าๆแล้วมันไม่ดีขึ้นเนะี่ยเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอันไหนไม่ดีเอาออกอย่างเช่นอย่างคนทงานเนี่ยเลิกงานปุ๊บอะไปปาร์ตี้เนี่ยนะ ก็ไม่ได้มีอะไรดีเท่าไหรเท่าไราก็สนุกสนานตามรูปเสียงทินราสัมผัสไปแต่มันดีต่อจิตใจไหมก็ไม่ได้ดีต่อจิตใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราลดสมมุติปาร์ตี้มันทุกวันก็ลดเหนื่อยสักสมวันอะไราเราก็มีอีก4ี่วันที่เราได้กลับบ้านเร็วแล้วเราก็เอาเวลามาอยู่กับตัวเองเอาเวลามาทําความสงบให้ใจเอาเวลามาฟังธรรมะ เพื่อที่เราจะได้พัฒนาความเห็นให้มันถูกตรงถูกต้องขึ้นเพราะนั้นการที่เราคอยดีไซน์ชีวิตของเราอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นเหตุให้ศักยภาพของเรามันดีนะใจเราก็จะได้รับการฝึกมากขึ้น ฝึกมากขึ้นฝึกบ่อยขึ้นฝึกดีขึ้นมีความคุ้นชินกับกุศลที่มันมากขึ้นแล้วสิ่งที่มันจะได้กลับคืนมาคือนิสัยนิสัยที่เราจะหลีกออกจากการนิสัยที่เราจะหลีกออกจากอกุศลทั้งหลายนิสัยที่เราจะคลุกคลีกับกุศลมีกิจกรรมที่เป็นกุศลใจเราจะคิดใจเราจะรู้สึกโน้มเอียงไปทางที่มันเป็นกุศลมากขึ้น ซึ่งวันนี้ก็คุยมาก็อยากจะบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมนะเราบอกว่าเราปฏิบัติปฏิบัตินั่นแหละเราก็ต้องพยายามหาช่องหาเวลาในชีวิตให้มันมีสัดส่วนของธรรมมากให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเรานะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็มี blocking ชีวิตเดิมๆตื่นมาทําอย่างนี้เดี๋ยว ตอนนี้ต้องเดินทางตอนนี้ต้องกินข้าวตอนนี้ต้องทํางานทํางานเสร็จอ า, ก, บบากลับบ้านกลับบ้านแล้วก็พักผ่อนวันลุกขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้เลยวันต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราทําอะไรอยู่มันก็เหมือนกับพระบาลีที่ท่านได้ยกเอาไว้สอนเอาไว้นะไว้เป็นนเิเคปบทมื่ตอนตอนนะ้นว่า กระทำโพตสัตเมรติดิวาวิตีปตันติปปะชิตนณอภินหังปัญจเวคิตบัก็แปลว่าปัญญชิเนี่ยพึงพิจารณาเนืองเนืองหรือว่าวันคืนเนี่ยล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ไม่จาเป็นเฉพาะปัประชนหรอกเราเนี่ยคนที่ต้องการความสุขและลดทอนความทุกข์นี ก็ควรจะหมั่นถามตัวเองว่าวันๆนึเนี่ยมันผ่านไปทุกวันทุกวันเราทำอะไรให้กับจิตใจของเราบ้างเราทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์เป็นความเจริญแก่จิตใจของเราบ้างก็อยากจะฝากอันนี้ให้ทุกท่านได้เอาไปพิจารณาดูว่าวันคืนล่วงไปแล้วเนี่ยผ่านไปทุกวันทุกวันเราทำอะไรบ้างศีลที่เรามีเราทำให้มันบริบูรณ์ ดีมากน้อยเท่าไรสมาธิความสงบของใจเราทำให้มันเกิดขึ้นเป็นสมบัติของเราได้ดีเท่าไหรแล้วก็ความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเนี่ยเรามองเราเห็นเราเข้าใจมันได้มากน้อยเท่าไหรไม่ใช่ที่ที่ตักกาความคิดของเรานะแต่ที่ความรู้สึกในใจของเราว่า ที่เราว่ามันไม่เที่ยงที่ขเขาว่าไม่เที่ยงใจเราก็รู้สึกไปกับมันด้วยไม่ใช่ว่าแต่เขาว่าเที่ยงเราเราว่าเที่ยงที่สมองเรายังไม่ใช่แต่ถ้าเขาว่าไม่เที่ยงและมันไม่เที่ยงที่ความรู้สึกในใจของเราว่ามันไม่เที่ยงอันนี้ถือว่าธรรมะมันได้ไปปรากฏเป็นผล <sizi. S 1> เป็นคุณค่าในจิตใจของเราที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยลดทอนความทุกข์ แล้วก็มีความสุขที่มันเพิ่มพูนขึ้นไม่ว่าในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนหรือแม้แต่ในขณะไหนที่ได้ทำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง